คุณผู้ฟังเคยเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือว่าเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเหตุผลรองรับไหมคะเลยได้เก็บความสงสัยนั้นไว้อย่างเงียบๆมีเรื่องลี้ลับดังจากทวิตเตอร์ค่ะเกี่ยวกับคอนโดกลางกรุงที่มียอดรีทวิตกว่า 32,000 ครั้ง เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะก็ใช้ชื่อว่าคุณอ้อมละกันเป็นนามสมมุตินะคะเล่าเรื่องนี้บอกว่าได้ซื้อคอนโดไว้เป็นคอนโดกลางกรุงค่ะเป็นคอนโดที่สร้างประมาณปี 2,550 ้ซึ่งไม่นานมากสภาพคอนโดนี้ก็ยังดูใหม่แถมยังเป็นคอนโดติดถนนใหญ่อยู่ไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้าด้วยสรุปก็คือไม่ได้มีสภาพแวดล้อมให้ดูน่ากลัวแต่อย่างใดตัวห้องที่ซื้อเป็นห้องแรกของชั้นนั้นๆนะคะ คือเมื่อออกจากลิฟต์ก็จะเจอห้องนี้เลยดังนั้นค่ะก็จะเป็นห้องมุมแล้วก็ไม่มีห้องตรงท้ามวันแรกที่คุณอ้อมมาดูห้องก็รู้สึกว่าเออชอบเพราะว่าเจ้าของเนี่ยรักษาห้องได้ดีมากก็เลยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดแห่งนี้ว่ามีข่าวฆาตกรรมหรือว่าข่าวการฆ่าตัวตายอะไรทํานองนี้ไหมก็เซฟไว้ก่อนนคะคะเมื่อหาข้อมูลแล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหล่านั้นก็เลยตัดสินใจซื้อก็นัดโอนกันเสร็จสับเรียบร้อยในวิคถัดมาค่ะ แล้วก็เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อซื้อคอนโดเสรนคะคุณอ้อมก็บอกว่ารีโนเวทเพือให้ดูสวยงามกว่าเดิมโดยหลักๆตามปกติแล้วนะคะก็จะเป็นการซื้อไว้เพื่อที่จะเปิดให้เช่าแต่ถ้ามีคนซื้อก็ขายเหมือนกันถ้าอยู่ในราคาที่คุ้มกับที่ลงทุนไป เมื่อโอนกันเสร็จเรียบร้อยก็ได้กุญแจแล้วก็การต่างๆมาก็อำลากับเจ้าของเดิมก็แยกย้ายกันไปแล้วก็เสร็จจากกรมที่ดินก็คือประมาณบ่าย3ามโมงค่ะก็เห็นว่ายังมีเวลาเหลือพอที่จะไปคอนโดจะได้เข้าไปแจ้งกับทางนิติให้เรียบร้อยด้วยพอมาถึงเกือบบ่าย4ี่โมงก็เข้าไปคุยกับนิติเอาสำเนาการเปลี่ยนชื่อโฉนดว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วก็เอกสารอื่นๆไปให้นิติชุดนึง ด้วยความที่คิดว่าเออไหนๆก็มาแล้วงั้นก็ขึ้นไปดูห้องเลย ก, ากา็แล้วกันซึ่งตามปกตินะคะทุกคอนโดที่ซื้อเนี่ยก็จะไม่ทําแบบนี้คอนโดอื่นๆที่ผ่านมาเวลาซื้อแล้วก็จะมาดูห้องในช่วงเช้าของวันใหม่ก็คือวันไหนก็ได้ที่เรียกว่าสะดวกนะคะเพราะว่าจะต้องแวะซื้อพวงมาลัยของไหว้เล็กๆน้อยๆเพื่อบอกกับพระพรหมเจ้าที่เจ้าทางของคอนโดตามความเชื่อของคนไทยนะคะก็แบบบอกกล่าวเจ้าที่ท่านนิดนึง ทีนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วดูนาฬิกาคือ5โมงเย็นและช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออากาศเย็นนะคะที่กรุงเทพบรรยากาศก็เริ่มพ r o p เพลใช้ได้ค่ะแต่คือมันไม่ได้น่ากลัวอะไรก็ขึ้นลิฟต์ไปแบบชิลๆพอลิฟต์เปิดออกนะคะก็เจอห้องทันทีค่ะซึ่งห้องนี้ก็จะอยู่เยื้องๆกับลิฟต์นะคะก็เปิดห้องเข้าไปแต่พอเปิดห้องเข้าไปปุ๊บ ความเย็นก็เข้ามาประทะร่างกายแต่คุณอ้อมบอกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่แบบว่าคิดไปเองแต่ว่ามันคือเย็นจริงๆเย็นแบบหนาวเลยแหละค่ะซึ่งผิดปกติไปเพราะถึงแม้อากาศข้างนอกจะเย็นแต่ว่าในห้องก็ควรอุ่นนะคะไม่ได้นึกถึงเรื่องราวของผีสางใดๆทั้งสิน้นตอนนั้นก็คือเดินหาแอร์ก่อนเลยแล้วก็พบที่มาของความหนาวนี้ แอร์มันเปิดอยู่ค่ะที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะคะก็คือเจ้าของห้องเนี่ยเขาย้ายไปซื้อบ้านได้เกือบปีแล้วไม่มีคนอยู่แน่นอนเอ๊หรือว่าเปิดห้องทิ้งไว้วันที่มาดูคอนโดกันคราวก่อนนวนแล้วก็ลืมปิดอ่ะค่าไฟเนี่ยกินไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็คิดว่าเออใช่แน่นอนค่ะ แต่ก็มีเรื่องค่าไฟนั่งนับวันเลยก็เลยโทรหาเจ้าของห้องว่าได้มาเปิดห้องช่วงหลังจากนั้นไหมแล้วก็ได้รับคําตอบว่าล่าสุดที่มาเปิดห้องคือตอนที่เรามาดูห้องนั้นแหละและเขาก็ไม่ได้เปิดอีกเลยคนในครอบครัวก็ไม่มีใครที่มีกุญแจห้องเพราะว่าเขาเป็นคนเก็บแต่ว่าประโยคที่พีอยู่ที่แต่วันที่เรามาดูคอนโดเราไม่ได้เปิดแอร์กันนะเอาล่ะสิคะคุณบู้ฟังในหัวของคุณอ้อมตอนนั้นคิดไปโน่นค่ะขโมยหรือเปล่าวะเนี่ย เมื่อคุณเจ้าของคนเก่าไม่ได้เปิดเราก็ไม่ได้เปิดอ้าวแล้วใครเปิดก็เลยเดินไปที่ประตูกระจกตรงระเบียงคือทุกอย่างล็อกหมดค่ะแล้วก็คุณอ้อมบอกว่าประตูห้องเนี่ยเป็นระบบกุญแจเสียบหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องกดรหัสเข้าประตูสําหรับกุญแจอัตโนมัติอีกหนึ่งครั้งมันก็ไม่น่าจะมีใครที่เข้ามาได้เออแต่ช่างมันเถอะก็คงจะลืมปิดกันนั่นแหละคุณเจ้าของคนเก่าก็คงจะจําผิดแน่แน คุณอ้อมก็เลยต้องพยายามที่จะเดินห า, าที่เสียบรีโมทแอร์เข้ากับเต้าสวิต์นะคะเป็นเต้า on-off เพื่อที่จะปิดแอร์แต่คุณอ้อมบอกว่าต้องงงกว่าเดิมค่ะคือสวิต์อ o น f f มันอยู่ที่ off ม, ม, มันไม่ได้แบบตรงที่รีโมทนะคืออีตัวป๊อกแพ็กสีดำอะค่ะแล้วก็แอร์มันทำงานได้ คืองงไปสักพักหนึ่งแถมแอร์ก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่คือที่รู้เนี่ยว่า25องศาเพราะว่าตัวเลขที่แอร์มันโชว์นะคะก็คือเป็นรุ่นใหม่ก็เลยกดรีโมตปิดเครื่องแล้วก็สับสวิตไปมาอีกรอบทีนี้ก็ลองให้สวิตอยู่ที่ออฟอีกครั้งแล้วก็ลองเปิดรีโมตปรากฏวันนิ่งสนิทไม่ทํางานค่ะก็เลยได้แต่เออช่างมันเถอะก็ะคิดว่าเป็นความผิดพลาด ท, ทางเทคนิคก็แล้วกาันก็เลยไม่ได้สนใจตรงจุดนี้ก็เลยเดินเข้าไปดูห้องส่วนอื่นค่ะว่าจะรีโนเวทตรงไหนดี ระหว่างที่สำรวจห้องอยู่เนี่ยนะคะก็วางกุญแจห้องกุญแจรถวางมือถือคือทุกอย่างรวมกันถึงกับกระเป๋าด้วยนะคะไว้ตรงโต๊ะรับแขกในมือก็มีแค่สมุดกับปากกาเท่านั้นก็จดจดไปว่าจะเปลี่ยนอวอลเปเ ป, เปอร์จุดนั้นจุดนี้ทีนี้ก็เลยเดินเข้าไปในห้องน้ำก็คิดว่าจะเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นกับชักโครกอะไรประมาณนี้นะคะแต่แล้วค่ะโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นคือมีมือถือสองเครื่อง ใช้ซิมคนรักเครือข่ายทีนี้ก็เดินออกมาจากห้องน้ำเพื่อที่จะรับสายมือถือเครื่องที่ดังเนี่ยอยู่นอกกระเป๋าถือเพราะว่าเครื่องนี้ใช้บ่อยระหว่างที่หยิบมือถือขึ้นมาเพื่อที่จะกดรับก็มีเรื่องชวนอึ้งรอบสองคือชื่อที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยเป็นชื่อเรามือถือเครื่องที่ใช้บ่อยเนี่ยคือเมมเบอร์เครื่องสารองไว้แล้วก็ใส่ชื่อเล่นตัวเองแล้วก็แบบ อะไรเอ๊ะอะไรว่าอะไรประมาณนี้นะคุณอ้อมบอกก็เลยเปิดกระเป๋าควานหาเครื่องสำรองนะคะแต่ว่าก็ยังปล่อยให้เครื่องนั้นดังอยู่ไม่ได้กดรับพอหาเครื่องสำรองไปสักพักนึงก็เจ อ, เอหน้าจอของเครื่องสำรองเนี่ยนะคะนิ่งสนิทค่ะก็เลยกดปลดล็อกอีกเครื่องสำรองดูว่าเออโทรออกหรือเปล่าแต่คือว่างเปล่าไม่มีแอปอะไรเปิดทิ้งไว้ด้วยก็เลยหันไปหาเครื่องที่ดังอยู่แล้วก็ตัดสินใจกดรับ ไม่พูดคำว่าฮัลโหลใดๆทั้งสิน้นก็คือรอฟังอยู่แต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือความเงียบค่ะก็เลยเอามือถือเนี่ยมาดูหน้าจอเพราะคิดว่าสายหลุดแต่ปรากฏว่าการคุยยังคงเดินหน้าต่อ ก็เลยพูดว่าฮัลโหลกลับไปไม่มีเสียงตอบรับเช่นเคยนะคะก็ยังไม่ได้กดวางนะก็เลยหยิบไปเครื่องสำรองเนี่ยขึ้นมาแล้วก็พูดว่าฮัลโหลฮัลโหลเพื่อเช็คว่าจะได้ยินอะไรไหมเพราะชื่อมันขึ้นเป็นเบอร์อีกเครื่องที่เป็นเครื่องสำรองโทรเข้ามาก็ต้องได้ยินถูกไหมคะหรือเพราะว่าอยู่ใกล้ เ, เกินไปก็เลยไม่ได้ยินก็เลยอ่าลองเปิดลำโพงเครื่องหลักดูก็แล้วกาันแล้วก็ยังไม่ได้วางสายแล้วก็ถือเครื่องสำรองออกไปยืนตรงประตูระเบียงแล้วก็พูดฮัลโหลใส่เครื่องสำรองเหมือนคนบ้านะีคุณอ้อมบอกว่า เรื่องสำรองนี่มันก็นิ่งไม่มีการโทรเข้าโทรออกก็ฮัลโหลใส่ไปอย่างนั้นแหละแล้วก็เงียหูฟังเครื่องที่เปิดลาโพงอยู่ซึ่งก็เงียบกริบนะคะเริ่มหุดหิดค่ะก็เลยเดินเข้ามาในห้องแล้วก็กดวางสายเครื่องหลักทันทีจากนั้นก็เช็คเครื่องหลักเลยว่าตัวเองนี่เมมเบอร์ผิดหรือเปล่าเป็นเบอร์อื่นหรือเปล่าที่ใส่ชื่อตัวเองไว้อารมณ์ประมาณว่าบเบอ ร, บ ร, บร์ประมาณนี้นะคะพอเช็คปุ๊บอ่าเบอร์ถูกก็เบอร์เครื่องสำรองนั่นแหละนะคะทีนี้ก็เลยมาเช็ค เครื่องสำรองดูแล้วก็ความอึ้งความงงรอบที่สี่คือเครื่องสำรองเนี่ยไม่มีเบอร์เครื่องหลักเมมไว้เลยในลิสต์คือไม่มีการโทรออกหาเครื่องหลักค่ะที่คุณอ้อมบอกว่างงแล้วก็เออเออที่สุดคือมันไม่มีอะไรเลย แถมเบอร์โทรล่าสุดคือตั้งตั้งแต่3วันก่อนแล้วเป็นเบอร์ของธนาคารด้วยคือถ้าเมมไว้มันก็ยังพอเข้าใจได้นะคะว่าเออระบบรวนแล้วก็กดโทรออกมา อ, อีกเบอร์หนึ่งที่เป็นเครื่องหลักด้วยความบังเอิญหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ก็เลยเอาเครื่องสำรองเนี่ยกดเบอร์หลักแล้วก็โทรออกจะเช็คว่ามันโทรได้ไหมพอโทรปุ๊บนะคะเสียงเรียกเข้าเครื่องหลักก็ดังกดรับสายเครื่องหลักแล้วก็เปิดลําโพงทันทีก็พูดว่าฮัลโหลฮัลโหลนะคะก็มีเสียงดังออกมาจากเครื่องสำรองด้วยนะคะปรากฏว่าคุณอ้อมบอกว่าเสียงเนี่ยมันดังออกมาจากเครื่องหลักที่เปิดลําโพงอยู่ซึ่งมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นก็เลยได้ตะแบบ เอ้ยหอยพวกมึงอยากเปลี่ยนใหม่กันหรือไงพอเช็คแล้วว่าไม่มีอะไรก็เลยกดวางสายไปแล้วก็เดินดูห้องน้ําต่อแต่แล้วคุณผู้ฟังเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกรอบหนึ่งทีนี้เอาละชักก็เริ่มไม่ปกติแล้วตอนนี้ข้างนอกก็เกือบมืดแล้วล่ะนะคะแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรก็เลยวางสมุดปากกาที่เคาน์เตอร์ไว้ในห้องน้ําแล้วก็เดินออกมารับสายแล้วก็ใช่ค่ะเหมือนเดิมเด้หน้าจอขึ้นชื่อเราเหมือนเคยกดรับสายเงียบสนิทเหมือนเดิม ก็เลยหยิบเครื่องสำรองมาดูเหมือนเดิมเครื่องสำรองนี้ก็นิ่งสนิทเหมือนกั น, นะคะ่ะแบบไม่รู้ไม่รู้สี่รู้แปดอะไรทั้งสิน้นทีนี้ก็เลยตัดสินใจ hello ใส่เครื่องหลักอีกรอบแล้วก็ถามว่าจะคุยกับใครคะคือบ้ามากแบบถามกับเบอร์ตัวเองที่โทรมาแล้วก็คุยอยู่คนเดียวก็ได้ยินเสียงซาซาแล้วก็แวบหนึ่งก็เงียบสนิท ต, ต่อก็เลยกดวางสายทีนี้เนี่ยคุณอ้อมบอกอ่ะกลับดีกว่าคิดในใจนะคะก็เลยเดิน กลับไปเอาสมุดกับปากกาในห้องน้ำโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นอีกรอบโมทีนี้ไม่มีความกลัวเลยค่ะโมโหไม่ไหวละคว้าสมุดปากกาเดินตึงตังออกมาที่โทรศัพท์ทันทีก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาดูเหมือนเดิมค่ะมันขึ้นชื่อตัวเองโมโหค่ะรอบนี้ไม่กดรับสายและกดวางแล้วก็ตะโกนลั่นห้องพูดประมาณว่าไม่ตลกนะถ้าจะมาเล่นอะไรแบบนี้ ห้องนี้ฉันเป็นเจ้าของฉันซื้อแล้วแล้วก็จกโฉนดที่ดินจกโฉนดคอนโดเนี่ยออกมาโชว์กลางอากาศด้วยเนะคะเห็นไหมว่าใครเป็นเจ้าของก็เลยเอามือชี้ที่ชื่อตัวเองที่ด้านหลังโฉนดตบ ก, กระดาษดังพับพๆแล้วก็พูดอีกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของไม่ใช่เธอถ้าเธอจะอยู่ก็อย่าทําแบบนี้เราไม่ได้จะมาทําอะไรไม่ดีกับห้องนี้อยากได้อะไรก็บอกกันดีๆไม่เล่นแบบนี้มันเสียเวลา โมโหค่ะพูดจบก็เลยนั่งอยู่ตรงโซฟารอว่าจะมีสายเรียกเข้าอีกไหมปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบค่ะก็เลยเก็บของแล้วก็เดินไปเช็คแอร์อีกรอบโอเคแอร์ปิดละก่อนออกจากห้องยันตะโกนกลับว่าอย่าให้รู้อีกนะว่ามาเปิดแอร์ห้องคนอื่นทิ้งไว้จะเผาบินไปเรียกเก็บค่าไฟถึงที่เลยไม่เชื่อก็ลองดูพูดจบก็ปิดห้องคือคุณอ๋อแบบที่จริงงงกลัวนะแต่ว่าเหมือนแบบพูดติดตลกแล้วก็ปลอบตัวเองประมาณนี้ แล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟังคือแม่นี่ยิ่งแล้วใหญ่ขี้กลัวก็เลยปล่อยเลยตามเลยค่ะ3วันต่อมาตื่นแต่เช้าวแวะซื้อพวงมาลัยกับของไหวแล้วก็บูชาพระพุทธ ร, รูปองค์ขนาดพอดีพอดีไม่ใหญ่มากมาไว้ที่ห้องรอบนี้มากับพ่อและก็แม่ค่ะก่อนขึ้นคอนโดก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้พระพรมตามปกติจากนั้นก็อัญเชิญพระพุทธ ร, รูปไปไว้ในห้อง คือตอนคอนโดที่ไม่ได้อยู่จริงนะคะแต่ก็คิดว่าทำแบบนี้แล้วสบายใจคนที่มาเช่าหรือว่ามาซื้อต่อเขาก็จะได้อยู่แบบสงบสุขนะคะก็สบายใจไปไม่มีปัญหาอะไรตามมาที่หลังคือคุณอ้อมบอกทาแบบนี้ทุกครั้งที่ซื้อคอนโดแล้วก็ทุกคอนโดที่ตัวเองเป็นเจ้าของทีนี้พอจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ถ่ายรูปห้องในจุดที่จะรีโนเวทต่อค่ะจัดการวัดพื้นที่ไปเรื่อยๆพ่อแม่ก็ดูทีวีรอแต่เพราะวันนี้ตื่นแต่เช้าไง พ่อก็เลยเหมือนมนุษย์ลุงที่ง่วงง่ายเหลือเกินนางก็หลับบนโซฟาไปคุณอ้อมก็งุ่นเรื่องของตัวเองไปส่วนแม่ก็เห็นมาพ่อหลับก็เลยเดินสำรวจห้องแก้เบื่อสักพักได้ยินเสียงพ่อตะโกนแบบเ oh อ้าแล้วก็ลุกพรึบขึ้นมานั่งจากนั้นก็หายใจหอบแหกแหกเหมือนไปวิ่งมาคุณอ้อมกับแม่นี่ตกใจรีบหันไปดูพ่อก็โวยวายว่าทั้งแม่ทั้งลูกไม่ช่วยพ่อเลยเอาหมอนมาวางทับหน้าอกหายใจไม่ออกเรียกก็ไม่ได้ยินลุกก็ลุกไม่ขึ้นเหนื่อยกว่าจะลุก กว่าจะฮึดขึ้นมาได้เนี่ยแต่โซฟาไม่มีหมอนนะคะแม่ก็เลยพูดติดตลกไปว่าโอ้ผีอั้มสิถ้านอนเยอะเกินแต่คุณอ้อมบอกเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก่อนหน้านั้นไม่ตลกกับมุกของแม่เลยก็เลยแอบกลัวนะคะแบบว่าวันนั้นด่าไปเยอะหรือเปล่าว่าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็เลยบอกพ่อพอแล้วไม่ต้องนอนละใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปโฮมโปรต่อแต่ตอนนั้นในหัวเนี่ยคิดเรื่องผีสารพัดล้วค่ะหลังจากนั้นอีกวิคนึง เหล่าช่างที่จะมารีโนเวตก็เป็นช่างประจำที่มาที่ห้องซึ่งคุยกันไว้ก่อนล่วงหน้าพอถึงก็อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงระหว่างเที่ยวไปเที่ยวมาก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรนะจนกระทั่งวันส่งมอบงานค่ะวันนั้นคุณอ้อมมาคนเดียวเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรก็เลยส่งพวกช่างเสร็จก็กลับขึ้นมาพอเปิดประตูปุ๊บอ้าวละเสียงฝักบัวอยู่ในห้องน้าค่ะเลิศมากใช้ไฟกูไม่พอใช้น้ากูอีก นาทีนั้นไม่คิดหรอกค่ะ ว, ว่าช่างลืมปิดเมื่อกี้ตรวจรับงานอยู่หรือว่าเอ๊จะเดินออกจากห้อง3ามสี่คนแล้วไม่ปิดน้ําก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อทําลายความเงียบพอเพื่อนรับสายก็ค่อยเดินไปปิดน้ําแล้วก็กลับทันทีก่อนหน้านี้เนี่ยยังรีโนเวทไม่เสร็จก็มีลูกค้าติดต่อมาเช่าแล้วเป็นคนจีนแต่พูดไทยได้เป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูกสองคนซึ่งยังเด็กอยู่ก็พอทําห้องเสร็จปุ๊บก็ให้เข้าย้ายเข้าได้เลยทุกอย่างดูเหมือนคลี่คลายใช่ไหมคะ คุณอ้อมบอกเปลา่ามันไม่ได้คลี่คลายกันง่ายๆมันผ่านไปครึ่งเดือนผู้เช่าโทรมาถามเรื่องวิธีเปลี่ยนรหัสที่ประตูสักพักเขาก็ถามติดตลกว่าเจ้าของห้องก่อนหน้านี้เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็เลยแกล้งขับออกไปแล้วบอกยังอยู่ค่ะแค่ย้ายออกไปซื้อบ้านเฉยๆวางใจได้ก็เลยถามกลับไปว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าถามเฉยๆก็เลยคิดแล้วว่าอเจอนแน่ๆเลยคนเช่าเนี่ยต้องเจอเหมือน ก, นกันกับที่เราเจอแน่นอน อีกวีกหนึงคุณอ้อมเข้าไปจัดการเรื่องสแต็มรถกับการ์ดที่จอดรถให้กับผู้เชา่าก็เลยขึ้นไปเปลี่ยนรหัสประตูให้เขาเพราะว่าตอนโทรคุยเนี่ยคือคุยกันไม่เข้าใจอะค่ะแต่ก็ต้องพังะไปนิดนึงเพราะว่าเขาเอาผ้ายันแบบจีนมาแปะไว้ที่หน้าประตูคือเรียกว่าเป็นหูนะคะก็เลยถามว่าอ้าวทาไมเอาหูมาแปะหน้าประตู คนที่เป็นสามีบอกว่าเขาต้องออกไปทำงานแต่ว่าภรรยาต้องอยู่ห้องทั้งวันคืออารมณ์แบบแม่บ้านค่ะและทีนี้เนี่ยภรรยาบอกสามีว่าห้องนี้มีกันสี่คนพ่อแม่ลูกแต่เหมือนอยู่กันมากกว่านั้นอย่างเวลาที่สามีไปทำงานแล้วก็ลูกคนโตไปโรงเรียนภรรยาก็จะอยู่ห้องกับลูกคนเล็กและลูกคนเล็กก็เหมือนกับคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้ อีกอย่างเวลานอนกลางวันมักฝันไม่ค่อยดีมีวันหนึ่งค่ะเมียเขาบอกว่านอนๆ อ, อยู่เนี่ยก็มีเสียงไมโครเวฟดังติ้งขึ้นมาเองทางทา ง, ท, างที่ไม่ได้เวฟอะไรแต่คุณอ้อมก็บอกว่ายังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะวันนั้นก็เลยโทรไปถาม เพื่อความสบายใจของเมียเขานะะี่ยคือสามีเขาโทรไปพอคุณอ้อมได้ฟังปุ๊บอ่ะเครียดแทนเขาเลยค่ะคือลองเป็นเรามาทํางานต่างบ้านต่างเมืองจ่ายค่าเช่าเป็นหลักหมืน่นแต่ต้องมาเจอกับเรื่องนี้เนี่ยมันจิตตกนะคะเราก็เลยคิดว่าอเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่ได้ละต้องทําอะไรสักอย่างละ ว, วันนั้นก็เลยตัดสินใจบอกพ่อกับแม่ระหว่างขับรถ กลับนะคะเพื่อนก็โทรมาบอกว่าวันนี้เนี่ยนางไปดูดวงกับแฟนแล้วก็ป้าหมอที่สุพรรณเขาบอกว่าให้แกโทรหาเขาหน่อยก็ถามว่ า, ามีอะไรหรือเปล่าคือไปไปกับเพื่อนอยู่ครั้งหนึ่งอะนะคะก็เลยมีเบอร์ป้าเขาเพื่อนบอกว่าเขาแค่มีเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบอกแค่นี้แหละแกก็จะเกตเราก็เลยแทบจะเหยียบเบรกหัวทิมเลยนี่รีบขับรถกลับบ้านแล้วก็ขึ้นห้องโทรหาป้าเขาทันทีป้าเขาทักเลย บอกว่ามีเรื่องไม่สบายใจกับที่ทซื้อใช่ไหมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็จะดีเองสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการทำอะไรมาก่อนในห้องนั้นเขาทำมันเป็นเรื่องปกติเขามองว่ามันเป็นการศึกษาแต่เจ้าของเขาไม่พอใจแล้วก็ไม่มีใครที่จะชอบใจหรอกงงค่ะคุณอ้อมงงเออกินไปก็เลยถามป้าป้าหมายความว่ายังไงคะหนูไม่เข้าใจ ป้าบอกว่าลองไปคุยกับคนที่พามาซื้อห้องนี้ดูให้ลองถามเขาว่าคนในครอบครัวของเจ้าของเดิมเนี่ยมีใครเป็นหมอหรือว่าเป็นพยาบาลอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลไ้ยแล้วก็ลองไปหาสิ่งนั้นดูในห้องมันมีของบังไว้อยู่ให้เอาไปคืนที่โรงพยาบาลก็เลยถามป้าเขาว่าเป็นผีเหรอฮะ ป้าบอกอย่าเรียกแบบนั้นให้เรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นจากนั้นก็เลยโทรไปหาพี่ที่เป็นนายหน้าค่ะถามเขาว่าเจ้าของเดิมอะทำงานอะไรพี่เขาก็บอกอ๋อเป็นแม่บ้านจ้ะอยู่บ้านเฉยเไม่มีลูกแต่ว่ามีสามีเอา้าแล้วสามีเขาทำงานอะไรคะเป็นหมอจ้าโอ้โหคือเหมือนกับว่าคุณหมอน่าจะเอาอะไรกลับจากโรงพยาบาล น, นึกออกป่ะแล้วไม่เอากลับไป เราก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังทันทีก็เลยแบบช่วยกันคิดจะเอายังไงดีจะไปรื้อในห้องแล้วก็บอกว่าอ๋อมาหาของลึกลับค่ะก็ไม่ใช่เรื่องคนเช่าก็คงจะได้หนีจะเพิดกันแน่นะคะก็คิดว่าจะทำยังไงดีก็คิดไม่ตกอยู่3าสี่วันทีนี้เนี่ยพี่ที่เป็นนายหน้าก็โทรมาบอกว่ามีคนติดต่อมาซื้อห้องแล้วเป็นคนจีนคนจีนอีกแล้วค่ะ เป็นคนต่างชาติซื้อคอนโดในไทยได้นะคะพอคุยราคาก็ตกลงค่ะแต่เขาจะย้ายเข้ามาทันทีเราเนี่ยติดตรงที่มีผู้เช่าไงสัญญาปีหนึ่งแต่ว่าณนะตอนนี้ขอขายก่อนละกันจริ ง, รงๆก็เลยไปคุยกับคนเชา่าซึ่งตอนนี้มีผ้ายันที่หน้าห้องเพิ่มเป็น3แผ่นค่ะเมียเขาก็ยินดีมากคือพร้อมย้ายมากแต่บอกว่าจะจ่ายค่าขนย้ายคืนแล้วก็คืนเงินประกันให้ด้วยเขาก็โอเคตกลง คือของใช้เขาไม่ค่อยเยอะมากมายอะไรนะคะขนวันเดียวก็เสร็จทีนี้ห้องก็ว่างค่ะปฏิบัติการหาของลับก็เริ่มขึ้นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอ้อมลูกชายป้าอุ้พากันมาหาของลึกลับที่ว่าก่อนหาพ่อก็จุดทูบบอกกล่าวก่อนว่าจะมาหาของบางอย่างที่เจ้าของคนเก่าเนี่ยลืมเอาไปคืนไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรนะพ่อบอกเสร็จก็เริ่มหาอยู่หลายชั่วโมงก็ไม่เจอค่ะดูทุกซอกทุกหลืบเอ๊ะไม่มีอะไรคือไม่เจอจริงๆหมดปัญญา จนถึงวันนัดโอนคอนโดค่ะพอโอนกันเสร็จสัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแต่มันยังไม่จบผ่านไปเกือบวีคนจีนที่ซื้อห้องโทรมาหาพี่นายหน้าถามว่าครอบครัวเรามีใครเป็นหมอหรือเปล่าพอดีเขาเจอกล่องมีดคล้ายๆกับมีดผ่าตัดแล้วก็มีเหมือนเศษกระดูกอะไรบางอย่างอยู่ในกล่องเขาก็หัวสมัยใหม่ไงก็เลยคิดว่าเออคงจะเอามาศึกษาเขาบอกว่าเจอบนฟ้าในห้อง คือเขากําลังจะเปลี่ยนไฟระยะกลางห้องค่ะแล้วก็ต้องเดินสายไฟใหม่ช่างก็เลยไปเจอหอึคุณอ้อมบอกเรานี่กลัวมากไม่กล้ากลับไปเอาก็เลยโทรหาเจ้าของห้องคนเก่าว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ1 2ึ่สอเล่าให้ฟังแกก็ขอโทษขอโพยแล้วก็บอกว่าให้สามีไปเอาคืนก็เลยถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไม่เจอเรื่องแปลกบ้างเลยเหรอเขาบอกไม่เคยแต่เสียงลูกลีลูกรนมากค่ะก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรไม่เจอก็ดีแล้ว แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปถามนะคะว่าเอาไปคืนหรื อ, อยังคุณคนจีนคุณเจออะไรบ้างไมมอะไรทำนองนี้เพราะรู้สึกว่าหมดหน้าที่เราแล้วแต่คุณหมอคนเดิมเนี่ยก็พิลึกนะคะเอาของพวกนั้นกลับมาทาไม่นะคุณอ้อมทิ้งท้ายไปนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังบอกว่า เราว่าเขาทำมากกว่านั้นนะไม่ใช่เคสพวกนี้แน่นอนเคยเห็นหน้าครั้งหนึ่งบุคลิกก็แปลกๆอยู่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นหมอนะที่จะเตือนคือเวลาซื้อบ้านหรือว่าคอนโดก็ดูดีๆก็แล้วกันนี่ขนาดว่าดูดีแล้วนะคะของพวกนี้ที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็มีอยู่จริงแต่ก็ทําให้จิตตกได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปกติสุขแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวคนจีนแล้วก็คุณอ้อมเลยนะคะขอบคุณเรื่องราวจากคุณอ้อมในทวิ t ต์เอร์ด้วยนะคะหมดเวลาของ เจอผีเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะเจอกันได้ในคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับบีด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปของบีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ